มันคล้ายๆกับว่าออามันคล้ายๆกับเชื้ อ, อที่มันที่มันเป็นกระแสไฟเดินถ้ามันเป็นสนิมว่างๆมันจะไฟมันจะไปไปไม่สะดวกมันจะดับดับติดติดดับดับติดติถ้าถัดสนิมออกให้เลียแต่แต่วัสดุแท้ๆมันไฟมันไปเร็ว ก็มันมีปฏิกิริยานี่ก็เหมือนกานประสาทตาสัมผัสกับแสงกับรูปประสาทหูสัมผัสกับเสียงเพราะนั้นถ้าเรากำหนดบ้าให้สติให้ใจของเราล้วมลงอยู่กับรู้จริงๆริหายใจถ้าอยู่ขนาดนี้เขาจะก็หายใจ ไม่แรงอจะจะกระเทียนเน่กระเทียนกับความรู้สึกของใจไอ้มันจะกระเทียนกับหูมันมันยังจะได้ยินเนะเพราะฉะนั้นสํารวมสํารวมสํา ร, รวมแสงพวเขาจึงไม่ให้สแสงที่จ้าแล้วก็ให้แสงนิ่ง สำมรวมเสียงให้เบาที่สุดอีกเข้าไ้อีกสำมรวมความคิดเรื่องความคิดเนี่ยมันก็กระเทียนได้เหมือนกันความคิดคนที่คิดมากๆมันไปกระเทียนกับใจของท่านผู้ที่ท่านไม่ค่อยคิดอะไรท่านไม่ค่อยกระเพื่อม วันนั้นมาพักเขาใหญ่จึงได้เตือนพวกหมู่พระที่อุปถัมภ์องค์ลพบูไทยเข้าใจว่าท่านพูดไม่ได้หรือท่านเนี่ยจะมองไม่เห็นไม่รู้เลยไม่ใช่นะว่าเรื่องของใจนะพระที่อุปถัมภ์เนี่ยถ้าองค์ไหนไม่ค่อยสงบชอบคิดนั่นคิดน่ต้องระวังว่ะพอมันไปกระเทียนกับผู้รู้ ท่านที่ท่านไม่ค่อยคิดความคิดเนี่ยมันเป็นมันเป็นขึ้นก็เนี่ยลองดูทุกวันเนี่ยเขาทำได้เห็นไหมเครื่องอ่ะเนี่ยเอาเอามาเนี่ยพูดพูดประมาณามันขึ้นมาเลยเนะเออเดี๋ยวนี้เขายังทำไม่ได้แต่ว่าให้นึกแล้วมันขึ้นเนี่ยมันยังทำไม่ได้เห็นไหมทุกวันเนี่ยแต่ก่อนต้องกดใช่ไหม กดจะดูอะไรในไอ้กูก้นอ่ะกดเป็นตัวเลกเดียเ๋ยวนี้พูดเลยพูดเส้นเสียงมันก็บอกมาขึ้นมาอัานความละเอียดของคลื่อนที่นี่คลื่นของจิตกระแสของจิตมันยิ่งละเอียดกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นต้องสํารวมความสงบทางเสียงการเคลื่อนไหวทางกาย แล้วก็ทางความคิดอีกไปยามอย่าให้มันคิดส่งไปนู่นไปให้มันคิดอยู่ตกับตัวเองถ้าส่งไปอะไวนั่นแหะอย่างกับแสงอะไรอย่างอย่างถ้าอามนี่คิดจอมหาโวงตานั่นะได้เรื่องระบาดเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นการสำรวมจิตครูบาอาจารย์ถ้ายังเตือนอย่างเราจะฟังธรรมะแต่นี่าให้สำรวม ความรู้ความคิดให้อยู่เกี่ยวกับจิตของตัวเองอย่าส่งออกไปอ่าท่านหาผู้อื่นอท่านผู้อื่นยิ่งครูอาจารย์ที่ท่านมีกระแสสวรรค์ที่ละเอียดยิ่งกว่ากระเทือนเหมือนหลวงพ่อประสาทศิลป์น่ะท่านเล่าเรื่องของท่านน่ะอท่านไปหลวงตาพาไปกล่าวหลวงปู่อ่อนพอไปถึงหลวงปู่อ่อนท่านก็ ท่านนั่งตามบัตยาสายของท่านอยู่เตียงใต้ถุนกุติพอเห็นลูกศิษย์ลูกหาไปท่านก็ให้พระอุปถัมภ์เอาจีวรมาให้อคือท่านจะห่มผ้าให้เรียบร้อยตามอการต้อนรับแขกเพราะแขกพิมาเขาเรียกว่านุ่งห่มเรียบร้อยมาเวลาท่านจะรับกาบจากพระ ครูบาอาจารย์มาพอท่านได้กีวรมาท่านก็นั่งนั่งแบบอย่างนี้แหละท่านเขาจีวรมาขี่ขี้แ้งหมหลวงพ่อภาษาศิลป์เอ้ยบวชนานเท่าไหร่ยิ่งมากง่ายนึกในใจพอท่านนั่นแหละพระมันดูครูบาอาจารย์มันเอาตาดูครูบาอาจารย์ดูเอาดูหัวใจมันอุ้นหลวงพ่อภาษาศิลน์ใจขาดไปหมด ไม่รู้เลยเงียบไปเลยเหมือนกับตายเลยนั่นกระแสกิจเพราะท่านี้ให้สํามวมเนี่ยวางใครอะส่งมาหาหลวตาให้อยู่กับตัวเองเพราะถ้าส่งมาเดี๋ยวมันจะมีไม่มีธรรมะพูดเนี่ยฟังมันจะมาลบกวนคลื่นมันจะลบกวนคลื่นธรรมะอะอละ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสามมาสมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสามมาสามพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโต อาระโตธรรมาสรรมพุทธาพรหมาจโลกาทิปติสัมปติกาตานเฉลยังทิวรัง อายะจธาสันติทัสสะตาปราชาาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรมปิมังปะ ท, ทัางความนอบน้อมในองสมเด็จพระพุูธมีพระภาคอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกำลังจิตใจของเราอืมนอบน้อมพระพุทธเจ้าเคารพกราบไหว้ด้วยเจตนาภายในจิตใจของเรา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 สภะระโสธรรมระสังสินาติสพะธานังธรรมทานังสิราติอิมัสะธรรมปริยายัสะอัตโทสาทายสัมมเตหิสกจังธรมโมโสตโมติ ทำกายให้สบายแต่งกายเป็นเครื่องมูชานั่งให้สงบให้สบายจะนั่งในท่าขัดสมาธิบัลลังสมาธิก็ได้ขาัวาเท้าขาซ้ า, ายวางมือขวาทับมือซ้ายทั้งกายให้ตรงไม่ถือว่าเป็นการประมาท ไม่ถือว่าเป็นการไม่เคารพยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนะ่ะเป็นผู้พารมก่อนคราวเมื่อพอองค์มีชนอายุเก็บพรรษาหรือเก็ดปีนะั่นตามในประวัติเบิดาพาไปแลกนาขวัญไปทำงาน บันพืชมงคลเหมือนอย่างบ้านเราทำในเดือนพฤษภาก็มีพระราชามหากษัตย์พระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานนั่นก็เหมือนกันในข้างนั่นสิทธาราชกุกมารที่เป็นองค์พระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยพองค์มีอายุเจ็ดปีเมื่อไปแล้วก็ไปในแวดวงของ ผู้ดูแลทั้งหลายพวกสนมอมาต์มหาดเล็กทั้งหลายที่คอยดูแลเขาทิ้งพระองค์ไปดูพิธีแลกหน้าขวันพระองค์อยู่ใตล้ลอมไม่ว่าชมพูเพียงพระองค์เดียวพระองค์จึงมาเน้ว่าเออบันนีเราได้กายจะวิเวก ไม่มีใครมาคอยสับสนวุ่นวายอะไรเป็นโอกาสความสงบทางกายของเราแล้วเราควรทำกิตตวิเวทำให้กิตของเรามีความสงบพระองค์จึงได้นั่งเอาพระบาทซ้ายขึ้นทับที่ พระทรงข้างขวาแล้วเอาพระบาทข้างขวาขึ้นไปวางทับพระทรงข้างซ้ายเป็นการนั่งคัดสมาธิเพชรนีแล้วก็วางพระหัตถ์ข้างซ้ายลงบนพระเผาบนตักแล้ววางพระหัตถ์ข้างขวาทับพระหัตถ์ข้างซ้ายทรงตั้ง รำภวรกายตรงไม่คดโค้งไม่เอียงข้างซ้ายข้างขวาให้ข้อกระดูกสันหลังทุกข้อตรงตามตำแหน่งของเขาเพื่อไม่ให้เป็นการกดประสาทต่ทางๆที่อยู่ตามเส้นเอ็นตามกระดูกในว่าทำกายให้ตรงปลอดโปรง่งและพองหลับตาลงเบา คืออย่าหลับแน่นถ้าหลับแน่นน่ะมันเป็นการกดส่วนประสาทตาลงไปแล้วถ้าเราไปตั้งสติกำหนดจิตคือความรู้ให้มันดิ่งลงอันเี้ว่าจิตของเรามันจะสงบลงในขั้นสมาธิลึกแล้วมันจะไม่รับรู้กระแสเสียงของธรรมะ ที่ก่าวไปเพาราะฉะนั้นการตั้งสติการตั้งภาชนะในการฟังธรรมเนี่ยให้หลับตาเบาๆคือจะว่าให้มิดไปเลยก็ไม่ใช่เพราะให้เปิดเปียกตานิด ๆ, ๆถ้ามันเริบเคมความม่วงเงาหอานทิ้นน้มิทะเข้าข้องมันให้ลืนตาขึ้นเลยทำความตื่น ทมสติระลึกรู้ตื่นจึงจะมีวิญญาณหูวิญญาณใจรับรู้กระแสเสียงธรรมะจึงจะรู้ความหมายจึงจะได้ชื่อว่าฟังธรรมะมีรสมีชาติคือได้ความสงบแต่สงบในขั้นของ สังขารความคิดปุงฟุ้งเฉยเฉยไม่ได้สงบในขั้นของประสาทรูปต่างๆอันละมันยังจะรับรู้รับทราบเข้าใจในความหมายมีความเห็นตรงตามกระแสธรรมหรือจุดไหนที่ความรู้ความเข้าใจของเรายังไม่แจม่มแจ้งเมื่อได้ยินกระแสธรรมที่ท่านอธิบายไป ก็เข้าใจปุ๊บเข้าใจปุ๊บเข้าใจปุ๊ บ, บสิ้นสงสัยไปเรียกว่าสงบจากความสงสัยไปเรื่อยๆ่นเรียกว่าฟังธรรมะมีรสมีชาติตั้งแต่เริ่มต้นนั่นน่ะตั้งแต่เริ่มตั้งนะโมตัตถะพระกอร์วัตรลูกความหมายคําว่านะโมคือน้อมน้อมเอาอะไรน้อมน้อมใจของเราเนะั่นแหละมีสติ ตั้งระลึกรู้เป็นคู่ของใจเรียกว่าน้อมน้อมสติน้อมอยู่กับใจใจก็รับรู้อยู่กับสติความระลึกรู้นั่นแหละเป็นความอ่อนน้อมท่อมตนภายในดวงจิตญาณมันจะมันจะรู้สึกว่ามีรสมีชาติในการฟังธรรมะในให้เข้าใจในการตั้งพาชนะคือแต่งกายของเรา ก็ไม่สามารถจะนั่งคัดสมาธิแพทย์ก็นั่งสบายยังไงนั่งเก้าอี้นะ่าก็ให้สบายคือให้ถือว่าสบายแล้วไม่ต้องไปกังวลกับมันอีกละบอ่ะอย่างแต่ทรรมสติกับความรู้กับใจนี่แหละให้เป็นเพื่อนเป็นสหายซึ่งกันและ ก, กันไม่ให้ขาดวักขาดตอนอย่าวิธีตั้ง สติตั้งใจตั้งกายเพื่อลองรับกระแสธรรมส่วนผู้รับกระแสเสียงนั้นท่านเรียกว่าอินยาณหูอินยาณหูอินยาณคือความรับรู้รับรู้ว่าได้ยินผู้กระทบกับเสียงจริงๆนั้นก็เป็นหู อเรียกว่าเป็นประสาทหูเป็นแก้วหูถ้าหูไม่มีแก้วแก้วมันสกปกแก้วมันด้านมันทื่ อ, อทําเสียงอะไรก็ไม่ได้ยินหล่ะไม่ได้ยินใจก็จะรู้แต่ว่าไม่ได้ยินอะไรเนี่ยถ้ามันได้ยินทั้งหูใจเป็นผู้รู้วิญญาณเป็นผู้รับรู้อยู่กับใจ ก็รู้ความหมายรู้เรื่องรู้เล่านี่จึงว่าฟังธรรมะมีรสมีชาติเหนือรสชาติอย่างอื่นตามพาสิติยกขึ้นว่าสภะสโส ธ, ธรรมรสังชินาติรสชาติของกระแสธรรมสัมผัสใจด้วยสติสมาธิและปัญญา เป็นอุปกรณ์ควบคุมกันเนี่ยเยื อ, อยกเย็นสบายเบาสุขจะว่าสุขก็สุขไม่มีอะไรเปรียบจะว่าเบาก็เบาไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้นี่ท่านจรงว่าฟังธรรมะลดของธรรมชนะลดทั้งปวงคือสติมัน ละลึกลูมันไม่น่ก็มันไม่เป็นวักเป็นตอนนะมันละลึกละลึกละเอียดละะเอียดก็ไปจนเป็นรูเป็นสัมปชัญญะอืมเดียวก็เข้าใจความหมายในกระแสเสียงธรรมะนั่นเรียกว่าดูดดื่ ม, มเป็นปัญญาเป็นความเห็นสมาธิมั่นก็ความเห็นชอบ นั่นเป็นรสเป็นชาติถ้ามือเปียบเหมือนเรารับทานอาหารก็ทั้งรสเปรี้ยวรสเคม็มรสขมรสอะไรมันผสมกันอยู่เลกลมกล่อมกันไปเนี่ยอืมเป็นรสชาติที่ไม่มีอะไรเหมือนรสของธรรมะเป็นอย่างนั่นเมื่อตั้งดีแล้วก็ตั้งใจแล้วก็รู้กันอยู่แล้วนั่นมีไม่มีอะไรละ เป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่มีอะไรเป็นฐานที่มีคุณค่าสำหรับในกายและใจของมนุษยชาติท่านทิงบอกไว้ว่ากิจสมมนุษยะปฏิลาภการได้เกิดมาเป็นมนุษยชาติ มีร่างกายสมบูรณ์ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมีดวงกิตดวงใจดวงรู้มีสิ่งประกอบมีสติมีสัญญามีความรับรู้ไม่วิกลจริตไม่วิบัติท่านเรียก ว, ว่าได้สมบัติรูปสมบัติกิดสมบัติใจสมบูรณ์บริบูรณ์ ท่านเองว่าเป็นโชคเป็นลาบอันเปรซ์แต่เดี๋ยวนี้พวกเราท่านทั้งหลายยังมีความหลงไม่รู้กิ่งตามคามสอนของพุทธเจ้าไปให้ความสำคัญกับสมมุติอย่างอื่นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากไปหลงอยู่กับสมมุติและธาต ธาตุดินธาตุน้าอยู่กับสมมุติเงินทองเข้าของศักดิ์สิเปอร์เซ็นแห่งความดีงามในการทำงานได้มีศักดิ์สิดีงามได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นอ น, นุนั่นอันนี้ตามสมมุติไปพวกเราหลงไปสำคัญอย่างนั้น แต่ในธรรมะแล้วท่านบอกว่านี่แหละความมีอัตภาพแห่งความเป็นมนุษยชาติสมบูรณ์บริบูรณ์เพียรพร้อมด้วยความสมบูรณ์จากกุศลคือความดีที่ได้ทำมาจากกายจากวาจาจากคิดใจที่เรียกว่ากาย กรรมวจีกรรมมโนกรรมแล่ก็มีขันห้าสัญญาสังขารวิญญาณรับรู้รับทราบสมบูรณ์บริบูรณ์อันนี้ตาหากเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อกายกับใจ แล้วสิ่งที่จะปกป้องหรือรักษาหรือคุ้มครองที่ท่านว่ามีธรรมะท่านั่นแหละเป็นเครื่องคุ้มครองกายและใจธรรมะก็มีชั้นหยาบอืม สัญญหาบเกี่ยวกับกายวาจาและนี่งว่าศีลเกี่ยวกับควบคุมใจที่เป็นนามธรรมก็คือสมาธิสมาธิเนี่ยถ้าพูดว่าสมาธิสมา ธ, มาธิมันเป็นผลสมาธิความตั้งมั่นของใจ ใ, ใจตั้งมั่นอยู่ในการรู้เช่นเราเราจะศึกษาอะไรเราจะตีความหมายศึกษาให้รู้ความหมายอะไรเนะี่ยมันต้องมีความจดจอ่อต้องมีความเอาใจใส่อยู่กับปัญหานั้ น, น, นๆกับเรื่องนั้นๆ น, น, นี่ถ้า ทำให้มันจดจ่ออยู่ได้นั่นท่านจึงเรียกว่าสมาธิเอาเถอะนี่ตั้นั้นเป็น mm hmm. เป็นวิธีการเป็นเหตุเป็นอะไร <c oughs> เราก็มาเข้าตามวิธีการหรือหลักปฏิบัติที่พุทธเจ้าทรงประทานสอนไว้สีละ ปริพาวิตโตสมาธิมหาพโรโหติมหานนสังโซสมาธิปริพาวิตาปัญญามหาภราโหติมหานนสังซาปัญญาปริพาวิตังกิตังสมเดวะอาสวหิวิมุตติเน่ยเนี่ยจะเข้าถึงคาว่าวิมุตติวิมุตติเนี่ยคือพ้นจาก ความหลงในสมมุติทั้งหลายทั้งปวงศสีลนเป็นลู่กัน้นและเป็นข้อปฏิบัติในเบื้องต้นคือความตั้งใจตั้งใจให้รู้ให้รู้ใจแล้วก็ให้รูก้การตั้งใจความตั้งใจเรียกว่าตั้งสติเพราะสติก็อยู่กับใจสติก็ออกมาจากใจใจก็เป็นผู้รู้ ว่าทําความระลึกลูกนี่อยู่ด้วยกันตั้งสติตั้งเจตนาตั้งศรัทธาท่านก็ว่าศรัทธาคือความเชื่อมัน่นตั้งศรัทธาตั้งสติให้รู้ใจบ่าใจอยู่ที่ไหนใจที่เป็นธรรมชาติรู้อยู่ในกายของเราเนี่ยจะเอากํำหนดลูกจุดไหน อืมว่าให้ใจลู้เด่นอยู่จุดไหนก็เรียกว่าใจที่เด่นเด่นก็อยู่ตรงนั้นอันจที่ให้ตั้งสติกําหนดลูลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยผู้ทีเจ้าของเราท่านทำตั้งแต่อยู่ใต้รมไม่ว่ารงภูะ่ะเมื่อแต่งกายแต่งสติกําหนด ดูตั้งใจก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นะอืะดูนี่ไม่ต้องไปพาวักพะวงไม่ต้องไปรังเลสงสัยแต่ก่อนเรารังเลสงสัยมาแล้วเพราะไม่มีธรรมะที่ยืนยันอันนี้มีธรรมะหรือมีตำรับตาราที่บันทึกไว้ ก็มีการบอกเล่าการพูดเล่าสู่กันฟังมาว่าพระสิทธะท่านทำอย่างนี้แ ล, แล้วเราก็ตั้งใจทำเท่านั้นแหละเรียกว่าลงมือปฏิบัติตั้งใจกำหนดนี่ปกติลมหายใจของเราตั้งแต่วันเกิดมาแต่ก่อนยังไม่ยังอยู่ในคันในท้องแม่ เขาเรียกว่าอาศัยหายใจจากแม่ทางสายลกเนี่ยมันจะมีประสาทจะมีการส่งเข้าไปทางลกเพราะท่านเด็กที่เกิดมาจากเชื่ออุปกรณ์ที่พ่อแม่มอบให้แล้ว อาศัยบุญกรรมเป็นผู้สร้างเราสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยต้องอาศัยช่างช่างไม้ที่ชํานาญก็สร้างสร้างบ้านไม้สําเร็จได้ช่างคอนกรีต ท, ที่สร้างตึกอ่ะจะสูงกี่ชั้นกี่ชั้นก็อาศัยช่างอาศัยคนงานแรงงานอืม อาศัยการคำนวณจากวิศวกรวิศวกรรมที่เขาศึกษาคำนวณรับน้ําหนักรับความสูงความต่าอะไรเนี่ยนี่เราสร้างบ้านสร้างเรียนอืมภายนอกสร้างรถสร้างราสร้างเครื่องบ o r เครื่องบินอสร้างจรวดดาวเทียมอะไรเนะ่ะอาศัยช่างจากมนุษย์ แล้วนี่หละที่มีความชำนาญแต่ละแง่แต่ละมุมเอามารวมกันก็สำเร็จใช้ประโยชน์ได้แต่อาศัยแต่การสร้างเรียนของใจคือรูปร่างกายของพวกเราที่ได้มานั่งอยู่นี่แต่ละท่านแต่ละคนอาศัยบุญกรรมเป็นผู้ตกแต่ง เกินพ่อแม่เป็นเพียงให้ธาตุเท่านั้นแหละธาตุดินธาตุน้ำเอาใส่ไว้ในมดลูกของแม่นั่นแหละที่นี่จะตกแต่งอะไรเป็นเรื่องของบุญของกรรมเด้ยกรรมดีกรรมไม่บีดีที่ทำไว้เป็นวิบากปั้นแต่งขึ้นมาจะเป็นเพศหญิง เป็นเพศชายแล้วแต่บุญกรรมนะเป็นผู้ตกแต่งเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนรูปลักษณะบ้านเรียนของใจคือรูปร่างกายของเราถ้ามีอันนี้สงจากกรรมดีที่ได้ทำความดี จากการพูดทำความดีจากร่างกายตั้งแต่พบก่อนๆชาติก่อนๆ น, นั่นได้อาศัยสร้างกรรมนีด้วยความนึกความคิดนั่นล่ละจะเป็นตัวปั้นแต่งแยกรองพิจ า, ารณาดูเรื่องของบุญเรื่องของบุญของกรรมเป็นสิ่งละเอียดมาก ไอ้ที่ช่างทั้งหลายมาสร้างบ้านสร้างเรียนสร้างหุ่นยนต์สร้างตุกตาหุ่นยนต์ขึ้นมามันอยากยานีน่ตัวของเราที่นั่งอยู่แต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยอาศัยบุญกรรมการนิสงั้นล่จะจากความดีแต่งแยกออกมาเป็น อวัยวะอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่แรกมันไม่มีหรอกมันไม่มีตาไม่มีหูการรวมกันเข้าที่แรกก็มีแต่าธาตุของพ่อกับธาตุของแม่าธาตุน้ำาธาตุดินส่วนที่ข้นแขน็งเวลานั้่เขาแยกกันเองเรียกว่าบุญกรรมนำแต่งเอง แต่งแล้วจะสวยงามดำขาวขี้ล่ขี้เล่นั่นแหละแต่ แ, แต่บุญกรรมแต่งของใครของมันอันนี้คือการแต่งรูปการแต่งรูปร่างกาย <c oughs> ที่นี่ใจนี่ยละในส่วนของใจใจนี่ที่เกิดมีขึ้นในเบื้องต้น ก็เกิดมีขึ้นมาด้วยด้วยธรรมะต้องพูดอย่างนี้ธรรมะธรรมะอันละเป็นพ่อเป็นแม่ของใจเป็นผู้แต่งใจพอใจนี่เป็นใหญ่ในการรู้ไม่มีตัวตนแล้วก็มาอาศัย ในรูปร่างกายถ้าเป็นเจ้าของรูปร่างกายเนี่ยเาเป็นเพียงสภาวทธาตุรู้อะไรไม่ได้ถ้าไม่มีใจเข้าไปสัมปยุตนี่เมื่อกายกับใจใจได้กายเป็นบ้านที่อยู่ที่อาศัยแล้วนะก็ใช้การใช้งานกันอยู่นี่ ก็ได้เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล่ะ<ม>ก็มีสุขมีทุกข์มาทําการทํางานมามีความหิวความอยากเกิดขึ้นแล้วบ้าลูกสึกหิวล่ะแต่ก่อนก็หิวอยู่อยู่ในท้องแม่อยู่ในขั้นของแม่อืมแต่ก็อาศัยว่าอาหารนั่นต้องรับถ่ายทอดจากมารดาเข้าไป ยังจะให้มีความสุขความสบายเกี่ยวกับร่างกายก็จเจริญขึ้นเ <c oughs> มื่อแยกออกมาเป็นของใครของมันแล้วต้องอาศัยบุญกรรมนำแต่งกรรมดีกรรมไม่ดีที่ทำมาแล้วในอดีตแล้วก็ต้องมาอาศัยการกระทำกรรมนี่แหละอะไรวาการทำกรรมเนี่ยเรียกว่าการปฏิบัติ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็มีใจเท่านั้นละ่ะเป็นผู้รับรู้ว่ามีความสุขความทุกข์มีความวุ่นวายมีความสงบสบายเน่จริงว่ารวมแล้วสมบัติอันล้นค่าองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัว ท่านสอนท่านเน้นเน้นเน่นเน่ น, น, นมหาสมบัติอันล้นค่าคือใจของเราเพราะอย่าลืมใจสร้างสติปัญญาขึ้นมาให้ระ ล, ลึกรู้เป็นคู่ของใจของความรู้จะทำยังไงจะให้สติเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งเป็นสติเป็นสัมมาสติ จนจะสามารถได้สัมผัสรสชาติจากความมีธรรมะคือสติธรรมได้ก็ต้องฝึกสติเนี่ยว่าเป็นตัวระลึกลูกว่าเป็นตัวสังวรรอบใจรอบความรู้รอบจิตคือความนึกคิด ไี่จึงรวมเข้ามาใกล้ทีีปฏิบายนะให้ตั้งสติกำหนดลู่ลมหายใจเข้าหายใจออกทำอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไปสมมติว่าต้องเวลานั่นเวลานี่อย่างนั้นอย่างนี้ท่านั่นท่านี้เอ า, าง่ายๆนี่เอาแบบเอาแบบรวบรัดก่อนให้เข้าใจแบบรวบรัดก่อน จะยืนจะเดินจะอะไรเมื่อร่างกายของเราเกิดมาแล้วมีความเจริญขึ้นมานันก็มีความรับรู้กันด้วยสติด้วยสัมปชัญญะที่ท่านบอกไว้จับเลยเอาเลยขณะนี้เดี๋ยวนี้ตะกอนเล่าเกิดมา รับตั้งแต่มีความรู้สึกรับรู้ความสบายไม่สบายตั้งแต่ก่อนอยู่ในคันแม่ท้องแม่ก็รับรูกอยู่แต่แสดงออกทางภายนอกไม่ได้เมื่อตกคลอดจากคันแม่ออกมาล่ะจึงร้องไห้มีเสียงร้องไห้เป็นถ้าหาว่าภาษารูปของกล่องเสียงอะไรที่มันทำงานได้ สมองที่มันทำงานได้ถ้าคนประสาทรูปหรือวิญญาณที่จะให้กระทบให้เป็นเสียงได้มีก็ใช่เสียงไม่ได้เหมือนอย่างคนใบ้คนที่เกิดมาแล้วเป็นใบ้แต่กำเนิดจะสื่อกันทางเสียงไม่ได้ เราพูดไปเขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจะสื่อกันได้ทางกิริยาอาการเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่ผู้มีเสียงนี่ได้กราคร่อมมาก็ร้องไห้แอ้ได้เ อ, เอหรือยิ้มแย้มหัวเราะบางคนอยิ้มแย้มหัวเราะบางคนก็เฉยๆนอนหลับตานิ่งแตโลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เฉย ก็มีแต่นี่แหละเมื่อมีสมบัติตาหูาจมูกลิ้นกายใจมีรูปขันคือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันประกอบกันอย่างนี้ก็มาจัดการปฏิบัติตามคำสอนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้ฝึก สตินี่หละความระลึกรู้จนมันชำนิํานาญจนเป็นสติจนสัมปัญญะเป็นสัมมาสติกำหนดรู้หายใจเข้าหายใจออกเอาเท่านี้ทาไปเลยตั้งสติกำหนดรู้จ่อกันเข้าไปเลยเลยนี่วิธีฝึกซ้อมให้ธรรมะคือสติธรรม อืมต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้ามันเป็นคณะคณะเดี๋ยวก็เพ้อไปเดี๋ยวก็นึกแด้เดี๋ยวก็เพอไปอุปมาเหมือนกันกับเชือกที่มันเป็นทอ่อนเล็กทอนน้อยมันไม่ต่อกันยาวก็ใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้แข็งแรงเพราะฉะนั้นต้องทำเชือกเป็นเส้นยาวให้มันต่อกันยาวอะไรจะผูกจะมัดจะรัด รึงอะไรได้แน่นหนามั่นคงสติก็เหมือนกันแล้วลึกลู่แล้วลึกลู่ดูเข้าไปดูเข้าไปสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วลึกลู่แล้วลึกลู่แล้วลึกลู่เมื่อมันไม่พังไม่เผลอมันไม่กวดแกงไว้อย่างเห็นนั่นแหละจะได้สมาธิคือความ ตั้งใจมัน่นอาการที่ตั้งใจมั่นเนี่ยมันจะมีความสุขมีความเบามีความเอบอิม่มหลายรถหลายชาติมีความสุขอิ่มในจิตใจท่านเดยปิติเกิดปิติเนี่ยมีปิติก็เป็นธรรมดามันต้องสุขสุขสบายสุขเบาสบายโล่งความเบาจะไปเปรียบเทียบเหมือนกับสำลีเบา ก็เปรียบเทียบไม่ได้คือมันละเอียดกว่านุ่นสำลีที่มันปิวไปตามลมนี่จะรู้ได้ยำเพาะตัวของเราเนี่ยไม่มีรสชาติตันใดยิ่งไปกว่ารสชาติของสติธรรมที่ฝึกแล้ม่มีความรู้รละลึกไม่ยุ่งยากไม่มี วิธีการไม่มีเหตุผลอะไรมากมายเลยสติระลึกรู้ใจคือความรู้จิตคือความนึกคิดกลมคืนกันนึกคิดหายใจเข้ากับนึกพุทธหายใจออกหายใจเข้าขนึกพุทหายใจออกนึกโทนนี่ความคิดรู้สติอืแอกะลมที่เป็นกาย นี่ฝึกเพื่อให้สติมีเป็นสัมมาสติถ้าสติเป็นสัมมาสติสมาสมาธิคือจิตไม่วุ่นวายไม่ส่งฟุ้งซ่านลำคาญไปตามเรื่องอารมณ์อันน้นอันนี่มันก็จะอยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่กับสติระลึลกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นสมาธิอืมอยู่ใน อาการเดียวกันยางเมื่อฝึกสติได้ก็ได้สมาธิความตั้งใจมั่นเคยมีความทุกข์เพราะความคิดปุงฟุ่งไปตามเรื่องความอยากอันน้นอันนี้มันไม่มีมันไม่ไปหลือเปล่มอันก็เลยสุขสบายนีย่จะเห็นผลเดีย๋ยวอันนี้ท่านเรียกว่าปฏิเวทธรรมปริยติธรรมปฏิบัติธรรม เมื่อศึกษาเมื่อฟังเข้าใจรู้เรื่องแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะั่นเรียกว่าปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมทำให้มากเจริญให้มากตามโพธสังคสูตรในโพธทรังก็ตเนี่ยเจริญตามสติปัฏฐานสี่ ในเบื้องต้นเนี่ยที่กำหนดดูลมหายใจสติรละลึกลู่ลมหายใจเข้าหายใจออกท mm. ่านเรียกว่าฐานที่ตั้งของสติกายเวทนาจิตธรรมลมหายใจก็เป็นกายละกายละเอียดนี่เมื่อทําตามหลักของสติประฐานสี่แล้วก็มาฝึก เจริญในโพธงเกตโพธงเกตท่านบอกไว้ว่าโพสังโฆสตีสังฆาโตธรรมานางวิจัยโยตถะวิริยามปิติปัสส t ิโพสังฆาจตธาระเรสมาทุเปสมาทุเปคือสมาธิสมาทุปเท ป, เ ป, เปเขโพสังฆาสเ ต, เตเตสพทัศสินา มุนีเนี่ยมุนีคือผู้มีผู้มีความเพียรแท่งอยู่มุนีนะสมดดาคาตาภาวิตาาาตาพระโหดิตะพึ่งเจริญให้มากทำไม่ให้มากมุนีผู้มีความเพียรแท่งเจริญให้มากทำให้มากอยู่ก็จะได้สติความะระลึกรู้เป็นสมาธิก็จะได้ชื่อว่ามีความเพียรความเพียรต่อเนื่องกัน ไม่เผยเลยนะวิริยมวิริยมคือวิริยะเทียนเทียนรู้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไม่เผ อ, เอก็จะได้ปิติเมื่อกิตมันรวมแนิม่มข้อเป็นสมาธิก็เกิดปิติความอิ่มใจอะอิ่มอิ่มใจก็อิ่มทั้งกายด้วยนะถ้าฝึกให้ใจได้สมาธิ ทางใจแล้วก็สมาธิทางกายก็ได้เอเพราะฉะนั้นผู้อิ่มในทำคือปิติอยู่เนี่ยมันจะอิ่มไม่หิวโหวยอะไรทั้งนั้นแ่แหละไม่กระเซาอกระสนกระวนกระวายอืมไม่หิวข้าวหิวหน้าอะไรมันก็ไม่หิวหรอกเพราะมันมันอิ่มอยู่กับธรรมะคือปิติธรรมอืมในความสงบเนี่ยอืม ก็สร้าอย่างพวกฤาษีสีภัยเข้าสร้างสมาบัตินั่นลหละอิ่มอยู่ในสมาธิในสมาบัติไม่กินข้าวกินน้ำกี่ปีกี่เดือนก็อยู่ได้ในส่วนธาตุขันร่างกายเพราะใจนะ่ะมันเป็นใหญ่อยู่แล้วมันอิ่มด้วยปิติปิติความอิ่มใจก็ย่อมได้ปัจสถินีคือความสงบ ความสงบใจจากสัญญาอารมณ์ท่านเรียกว่าปัจสถิคือความสงบใจใจสงบไม่สยสยแสไม่กระโดดโลดเต้นไปตามอารมณ์อนุั้นอนนี้นั่นหละก็ยิ่งเบายิ่งสบายเนี่ยเมื่อได้ปัจสถิก็ได้สมาธิคือความมั่นคงจากการปฏิบัติ แล้วก็ให้น้อมไปในปัญญาเท่นี่ที่ท่านว่าธรรมวิจยะธรรมนังวิจยโยตระคือความสอดส่องก็คือการนึกคิดพินิจพิจารณาให้รู้เรื่องของความคิดเรื่องของจิต ค, ความนึกคิดเรื่องเรื่องของใจคือเป็้ยนธานุรู้เรื่องของวิญญาณความรับรู้ เรื่องของเวทนาสุขทุกข์เฉยเวทนากายเวทนาจิตอรู้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้อ่าพิจนาไปพิจนามารวมเข้าไปรวมเข้ามาไม่มีอะไรมีใจเท่ น, นั้นแหละที่เป็นธาตุรูเร้เนี่ยตั้งเป็นมหาเหตุแต่ผู้ที่ทําให้หลงทําให้เป็นทุกข์ก็คือความไม่รู้ตามเป็นจริงความที่สติยังตั้งไม่เป็นไม่ ไม่มีกำลังพอนะเนี่ยจึงต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญากรมเกินกันละบะัดปฏิบัติ ม, มีสติสังวร ม, มีความรู้เท่าทันความนึกความคิดแล้วใช่ความนึกความคิดแยกแยะเรียกว่าใช่ปัญญามองขันทั้งห้านี่แหละหรือมองกายและใจ ไม่มีอะไรคำ ว, ว่ากายก็เป็นสมมุติคำ ว, ว่าใจก็เป็นสมมุติสมมุติทั้งหลายนี่ย่อมเป็นสิ่งไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยากและไม่เป็นตัวตนนี่เวลามันจะสรุาความหลงทั้งหลายเนี่ยตีความหลงจุดนั่นแตกไปตีความหลงจุดนี่แตกไปด้วยสติปัญญา แตกไปแตกมากอ่ะประมวลความหลงทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าสมมุติทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเนี่คือวิถีวิถีเราฝึกปัญญาจเจริญปัญญาเนี่เมื่อได้ปฏิบัติ เจริญสติสมาธิและปัญญาให้สมบูรณ์พูนพ้นแรสชาต์พูดถึงรสชาติสภาวะธรรมรสังชินาติรสของธรรมชนะรสทั้งปวงเนี่ยรสชาติในโลกมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มอนีความสุขความ นิ่มความนวนความอ่อนละมุนละเมยความทราบซ่านต่างๆไม่ได้มีความสุขเท่ากับมันไม่มีอะไรมันว่างไปเลยทันิงว่าพุทโธรูร้ตื่นเบิกบานเมื่อจเจริญสติสมาธิและปัญญาเนี่ยมันจะร่วมเข้ามาหามหาเหตุคือใจนั่นแี่ย เข้าถึงใจแท้ใจเดิมได้ก็ไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติรู้ละวางว่างหรือรู้ตื่นเบิกบานนี่สอนวิธีก็ของเกา่าแหละธรรมะเรานี่เป็นเพียงแต่ว่าพวกเราที่ได้ยินได้ฟังแล้วเราไม่ตั้งใจปฏิบัติเท่านั้น ไม่ตั้งใจทำสมาธิทำสติให้มันต่อเนื่องกันมันก็ไม่ได้สมาธิในองมรคที่ว่าสมาสมาธิแล้วก็ไม่ได้สนใจในการคนา้นคว้าพินิษพิจารณาในธาตุสี่ขันธ์5าอายตนะหกในตัวของเราเนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงมันก็หลงว่านี่เป็นเรากายเป็นของเราเวทนาเป็น ของเราเราอยากจะให้อันนี้เป็นอย่างนี้อยากให้มีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยวิ่งตามความอยากวิ่งตามความอยากปฏิวัติตามความอยากถ้าได้ตามความอยากบ้างก็มีความสุขนิดนิหน่อยน่อยแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าไม่อยากก็เป็นทุกข์อีกล่ะเกิดความเกลียดก็เป็นทุกข์อีก นี่เพราะฉะมาปฏิบัติต่อใจของเราด้วยการสร้างสติเป็นธรรมคุ้มครองใจคือความรู้แล้วก็สมาธิไม่ต้องสร้างละสร้างสติให้สมบูรณ์สมาธิก็ได้อยู่ในตัวละความตั้งใจมั่นจิตที่ไม่เข้งคว้างไม่ป่งฟุ่งตามอดีตอนาคตเรื่องหน้าเรื่องหลังอะไรไมันจะอยู่ กับเรื่องของตัวเองในความรู้ในใจนั่นแหลแล้วก็ฝึกค้นคว้าฝึกมั่งกายฝึกรื้อกายฝึกรื้อจิตหรือฝึกรื้ อ, อ, อขันธห้าพ<ม>ูดง่ายๆรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณสมบัติในขันธ์ห้ามีเท่า น, นี้แต่รวมเข้ามาอีกไอ้สั้นเข้ามาอ ก็มาฝึกลื้อสิ่งที่เราได้เห็นน่ะสิ่งที่ได้เห็นแล้วก็มีความรับรู้ว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นสีแดงสีขาวเห็นรูปหน้าลักรูปหน้าช่างเห็นอะไรแต่อะไรมาลือเกี่ยวกับเรื่องเห็นก็ใครเป็นผู้เห็นและสิ่งที่เห็นเนี่ยเห็นว่ามันเป็น ดีมันดีจริงหรือเห็นว่ามันไม่ดีมันไม่ดีจริงหรือหรือว่ามันเป็นไปตามเพียงความอยากความนึกความคิดของเราเนี่ยเราคิดว่าดีก็ว่ามันดีเนี่ยเราคิดว่าไม่ดีก็ว่ า, วามันไม่ดีเนี่ยมาไล่หากันเนี่ยย่นกลัวมันจะไปลงเอ่ยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเป็นไปตามความอยากตามความคิด ของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเป็นไปตามหน้าที่ของเขาคือเกิดแล้วเขาก็ดับเท่านั้นแหละเช่นเสียงเราได้ยินมานนได้ยินพุ้กมันก็ดับไปแล้วเสียงแต่ที่ไม่ดับคือสัญญาลมในใจของเราเนี่ยยึดมาไว้แล้วก็มาปรุงตามเสียงนั่นแล้วก็วุ่นวายตัวเองแหละวุ่นวายแต่ก็ไปโทษ ว่าเป็นทุกข์วุ่นวายเพราะเสียงนั่นแหละแนี่ยบางคโทษข้างหน้าเอาไปเรื่ยเมื่อมาฝึกโทษตัวเองเนี่ยน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาสู่ใจเนี่ยอืมมันได้ยินเรื่องเสียงอมาลือา้อค้นคว้าเลี่ยงเสียงเข้ามาเข้ามาจนมาหาผู้รู้ผู้รู้ว่าได้ยินเนี่ยและก็ได้เห็นตรงนั้นกันอ อพอเห็นปุ๊บจะสัญญาสังขารมันจะปรุงทรงออกทรงออกข้างนอกอืมใช่ปัญญาดึงเข้ามาทวนเข้ามาหาอาผู้ลู่ว่าเห็นเห็นสีเห็นแสงเห็นสีแดงสีขาว เ, าเห็นรูปน่ารักน้าชางอะไรก็แล้วแต่่ะอืมเห็นสิ่งที่ว่าคงทนถาวรือไม่คงทนถาวรอะไรก็แล้วแต่นองเข้ามา ค้นข้อควาหายใจแล้วจนกว่าถ้ามันสรุปรวมลงสิ่งที่เห็นก็ตามผู้ถูกเห็นก็ตามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสมมุติทั้งหมดเป็นอนัตตาถ้าปัญญาหรือญาณแห่งความรับรู้ตัดสินลงในใจของเรานั่นหละเราจรึงจะสิ้นสุดเหตุปัจจัย เคือจะหมดความทุกข์ที่ว่ามันมีทุกข์ไงกายในใจอันจะสิ้นสุดลงตรงนั่นนีเรียกว่าได้รับรสชาติของการสัมผัสธรรมะการปฏิบัติต่อธรรมะรู้ในเรื่องธรรมะมทาลายความหลงสิ้นสุดไปนี่เรียกว่าค่ากิเลส แต่ความจริงก็ไม่ใช่ไปฆ่ากิเลสอะมันเป็นเพียงว่ามาทำความรู้และความเห็นในใจของตัวเองด้วยปัญญาเนี่ยแหละให้มันเห็นชอบตามความเป็นจริงเรามันไม่มีอะไรสมมติทั้งอะไรทั้งพวกมันก็มีเพียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นน่ะอ่าไอ้ใ่ตัวตนเป็นอนัตตานาีก่การฝึกการฝึกเจริญปัญญา จะต้องพิจารณาฝึกไปในแนวนี้ เ, เมื่อกําลังพร้อมกันทั้งศีลสังวรคือสติและสมาธิปัญญาอันละผลที่มันจะข่องความหลงทำลายความหลงให้สิ้นสุดไปเหลือแต่จะคุ่อุดปาฏิยาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิ ช, ชาอุดปาฏิ อาโรโกโดปาดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระธรรมจักกบปวัตนสูตรเมื่อมุนีผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เกิด ค, ความแจ่มแจ้งท่านได้ท่านเรียกว่าอาโรโกโคือความรู้ไม่มีมุมไหนปิดบงัง ไม่มีข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างเรียกว่าสว่างจ้าสว่างจ้าแล้วยังไม่แล้วคำว่า ว, าวา่างว่างก็มีพร้อมในนั้นไม่มีความเป็นตัวเป็นตนถ้าหาว่าสว่างจ้าแต่มันยังไม่มีความวางความว่างมันยังมีเออมนี่เราเป็นอย่างนี้เราได้อย่างนี้อยู่ อันนั้นเนี่ยว่ายังไง ว, ว่างอเรามีอย่างนี้ยังมีเรามีมีอยู่ถ้ามันสว่างจ้าเข้าไปแล้ ว, ลวมันไม่มีอะไรนั่นท่านจรีว่าอาโลโกสว่างอืเป็นธรรมคือใจนั่นแหละสว่างไม่ได้อะไรเละธรรมคือใจใจคือธรรมเป็นวิธีปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วมันก็ไม่มีอื่นไกลแล้วก็มีเท่านี้แหละธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติให้เจริญสติสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาให้มากทำให้มากเท่านั่นแหละเ <c oughs> มื่อทาให้มากแล้วผลก็คือความ มีรสมีช า, ต, ามมติความไม่กระเพื่อมของจิตความไม่สั่นสะเทือนตามสัญญารมรูปเสียงกลิ่นรสโอทพัพะก็จะเกิดขึ้นรูกอยู่ในภายในดวงจิตดวงใจดวงรูของเรานี่แหละไม่ไปไหนนี่เรียกว่าสมบัติธรรมทั้งหลายก็เอาสมบัติธรรม หรือว่าผลของธรรมสติสมาธิและปัญญาชอบก็เอาตัวธรร ม, มก็คือรู ป, ปรธรรมหรือร่างกายของเรานา ม, มาทรรมก็คือจิตใจสติสมาธิปัญญาก็สร้างให้เกิดให้มีขึ้นมาภายในดวงลู่ๆของเราคือใจนี่แหละก็จะมาทำงานปกป้องรักษาซึ่งกันและกัน สุดท้ายก็จะถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกออกหมดไปจากดวงจิตดวงใจแล้วก็จะเป็นอิสระท่านเองว่าเข้าถึงความเป็นผู้ไม่ตายไม่เกิดไม่ดับไม่ตายนั่นเป็นความสุขอย่างยิ่งการพูดธรรมะอธิบายธรรมะก็ เห็นว่าได้เวลาเลยไปนิดหน่อยก็เห็นว่าพอสมควรจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยอำนาจแทงบุญกุศลงามความดีในการที่มีศรัทธาประพฤติปฏิบัติมีสติมีศรัทธาเชื่อมั่นมีสติระลึกรู้ไห้มั่นใช้ปัญญารอบรู้ค้นคว้าในกายในจิต ของตนเองนั่นแหละได้ที่ว่าประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยอํานาจแห่งศรัทธาความเชื่อมั่นและได้ลงมือประพฤติปฏิบัตินี่แล้วก็ด้วยอํานาจแห่งพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงดอบันดาลให้ดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ธรรมะเห็นธรรมะหรือมีกําลัง แห่งสติสมาธิธรรมและปัญญาธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์แล้พ้นจากทุกในการเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายทั้งปวงหรือแม้ว่ายังปรารถนาความสุขอันใดในสมุนที่อยู่สุขโดยลาบยศสันดานสนุกก็ให้มีความสุขโดยธรรม ไอ้สมความมุ่งมา่นปารธนาจงทุกท่านทุกคนเอสาธุเกี่เว๋ชื่ออี่นาลขนวัดนงการังากทีแล้วร่วมกับคนที่มีการรนแบ่องว่ทำใหม่ก็ไม่มีไม่ใช้หรอก ให้มีอะไรให้ทำให้ภาวนาตั้งสติดูลมหายใจนี่แหละให้มากๆาที่วัดมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะปัญหาที่สำคัญที่สุดให้ดูว่าอยู่กับเราทุกท่านทุกคนแล้วก็ให้นำธรรมะมาเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อคุ้มครอง ให้จิตใจของเราได้เป็นอิสระเหนือความหลงรักหลงชังหลงอยากได้อยากมีอยากดีอ ย, ยากเด่นหมดไม่มีความอยากอะไรแล้วนั่นแหละเป็นอิสร ะ, อ, ะอยู่ตามธรรมชาติ